ดานิทานสีขาวเรื่องบาบูผู้ทรงความยุติธรรมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอันไกลโพ้นมีเมืองเมืองหนึ่งสร้างขึ้นอย่างวิติตงดงามที่เมืองเมืองนี้มีพระราชาพระนามว่าบาบูเป็นผู้ปกครองเมืองพระราชาบาบูทรงเป็นพระราชาที่ประชาชนรักมาก เพราะพระ อ, องค์ทรงยึดเอาความยุติธรรมมาเป็นที่ตั้งในการปกครองบ้านเมืองถึงขนาดทรงให้แขวนกระดิ่งทองคําเสียงกังวานก้องไว้หน้าพระราชวังเมื่อชาวบ้านคนใดมีความเดือดร้อนหรือได้รับความอายุติธรรมใดๆก็ให้มาสั่นกระดิ่งทองแล้วพระองค์จะเสด็จออกมารับฟังและช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้ด้วยพระองค์เองมาในระยะหลังๆ ปรากฏภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในเมืองประชาชนปลูกข้าวไม่ได้พืชผลต่างๆก็ล้มตายตามๆกันไปจนหมดสิ้นทุกๆวันจึงมีประชาชนมาสั่นกระดิ่งทองคำเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระราชาบาบูโดยในช่วงแรกๆพระราชาบาบูได้มีราชองค์การเบิกเข้าสาร และพืชผลที่เก็บไว้ในคลังผลผลิตของพระราชวังมาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่เมื่อต้องแจกเช่นนี้ไปทุกทุกวันข้าวสารและพืชผลต่างๆที่เคยมีอยู่เต็มคลังก็เริ่มร่อยหรอไม่พอแก่การแจกจ่ายทำให้ทรงกลุ้งพระทัยเป็นอย่างมากในที่สุดก็ทรงตัดสินพระทัยส่งพระราชสารไปกับนกพิราบ ถึงเจ้าชายบาเบพระโอรสซึ่งทรงกำลังศึกษาวิชาการปกครองอยู่ในป่ากับพระอาจารย์ความในพระราชสารมีอยู่ว่าบาบูลูกรักขณะที่เจ้าได้อ่านสารจากพ่อพ่อเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าคงกำลังคลั่าเคร่งอยู่กับการศึกษาเป็นแน่ลูกรักตัวพ่อนั้นวางใจในผลการศึกษาของเจ้า และไม่เคยเป็นกังวลในเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะยิ่งกั่ความฉลาดเฉลียวที่มีมาแต่เล็กแต่น้อยของเจ้าแล้วพออย่างเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงของเจ้ามากกว่าแต่บาเบลูกรักของพ่อตอนนี้บ้านเมืองเรากำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักด้วยภัยแห่งความแห้งแล้งที่มาเยี่ยมเยียนโดยที่เราหาได้ยินดีปรีดาไม่ ชาวบ้านกำลังพบทุกเข็เพราะไร้ผลผลิตเก็บเกี่ยวน้ำตาของเด็กๆ ก, กำลังจะท่วมแผ่นดินเพระไร้อาหารประทังชีวิตบ้านเมืองของเรากำลังพบกับภัยแห่งความอดอยากหิหวโหยครั้งใหญ่แล้วและพ่อก็เจ็บปวดใจยิ่งนักที่ไม่อาจช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเหล่านี้ได้ มากเท่ากับที่เป็นถึงพระราชาปกครองประเทศลูกรักพ่อรู้ว่าลูกรักการศึกษาและดิ้นรนด้วยความเหนื่อยยากกว่าจะได้เข้าศึกษากับพระอาจารย์ของลูกแต่พ่อคงต้องขอให้ลูกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมกลับมาบ้านเมืองเราเถิดกลับมาหาประชาชนของเรา มาช่วยกันแก้ปัญหานี้ให้ผ่านพ้นไปเพื่อความสุขของพวกเขาเมื่อประชาชนมอบความไว้วางใจให้เราเป็นพระราชาของเขาก็ถือเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขที่สุดหากไม่มีประชาชนก็ไม่มีพระราชาจำคำพ่อไว้เถิดลูกพ่อและประชาชนของเรา จะรอวันที่ลูกกลับมาด้วยรักพ่อของลูกเจ้าชายบาเบเมื่อได้รับพระราชสารจากพระบิดาก็ไม่รอช้าส่งเข้าพบพระอาจารย์เพื่อขอลากลับบ้านเมืองทันทีอย่างไรก็ตามเจ้าชายบาเบก็อดที่จะอดครวนแก่พระอาจารย์ด้วยความเสียใยไม่ได้ ในเรื่องที่ตนเองไม่อาจอยู่ศึกษาจนจบหลักสูตรดังเช่นเจ้าชายจากเมืองอื่นๆพระอาจารย์ฟังเจ้าชายโอดครวญแล้วกล่าวว่าความรู้ไม่ได้มีอยู่ที่นี่ที่เดียวรอกบาเบเอย๋ยครูสอนการปกครองที่ดีที่สุดไม่ใช่ข้าแต่คือประชาชนของเจ้าเองเจ้าชายบาเบเห็นจริงดังคําพระอาจารย์ว่า จึงรีบกราบลาแล้วทรงม้าคู่บารมีเสด็จกลับเมืองในทันทีเจ้าชายบาเบทรงม้าติดต่อกันสามวันสามคืนโดยไม่ยอมหยุดพักเนื่องด้วยว่าเห็นความเดือดร้อนที่เกิดแก่ประชาชนนั้นกำลังเกิดขึ้นและรอช้าไม่ได้และแล้วในวันที่สซึ่งเจ้าชายบาเบและม้าทรงของพระ อ, องค์รู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมาก ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีลูกวัวน้อยตัวหนึง่งเดินออกมาจากพงหญ้าทึบข้างทางเพื่อเล็มยมหญ้าอ่อนตรงทางที่เจ้าชายบาเบสเสดผ่ดานด้วยความเหน็ดเหนื่อยผสมกับอาการสลึมสลือเพราะไม่ได้นอนหลับมาหลายวันทำให้เจ้าชายบาเบบังคับมา้าทรงให้หลบลูกวัวน้อยไม่ทันเป็นเหตุให้มา้าทรงวิ่งเหยียบลูกวัวน้อยถึงกับความตาย เจ้าชายบาเบทรงตกพระไทยตื่นจากอาการสลึงสลือนั้นรีบเหลียวกลับไปมองพร้อมกับร้องอุทานว่ายุดก่อนเจ้ามมาเอ๋ยเห็นทีว่าข้าจะเหยียบเด็กคนใดเขาแล้วเจ้าชายบาเบจ้องมองไปยังร่างที่พระองค์คิดว่าเป็นเด็กแต่แล้วก็เห็นเพียงวัวน้อยตัวหนึ่งนอนแน่นิ่งสิ้นลมหายใจอยู่เท่านั้นโธ่เอ๋ยที่แท้ก็แค่ลูกวัว เจ้าชายบาเบเออย่างโล่งใจแล้วรีบควบมา้าทรงต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านเมืองและได้เข้าเฝ้าพระราชาบาบูซึ่งเมื่อได้เห็นหน้าพระโอรสก็รู้สึกดีพระไทยเหลือเกะรวมทั้งข้าราชบริพารต่างก็พากันโห่ร้องแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในระหว่างที่ความยินดีปรีดากำลังบังเกิดอยู่นั้นจู่จู เสียงกระดิ่งทองคำก็ดังก้องกังวานขึ้นพระราชาบาบูจึงรีบละจากพระโอรสออกไปรับเรื่องเดือดร้อนจากชาวบ้านทันทีแต่เมื่อเห็นผู้สั่นกระดิ่งพระราชาบาบูก็ทรงรู้สึกแปลกพระไทยยิ่งนักเพราะผู้สั่นกระดิ่งในครั้งนี้คือแม่วัวสาวที่มีน้ําตาไหลาอาบแก้มและร้องครวญอย่างน่าเวทนา มีใครในที่นี้รู้บ้างว่าเหตุใดแม่วัวตัวนี้จึงมาสั่นกระดิ่งทองคำร้องเรียกเราพระราชาบาบูตัดถามข้าราชบริพารแต่ไม่มีใครทราบจึงทรงมีราชองการออกไปว่าเราเชื่อว่าต้องมีเรื่องทุกใจอย่างแสนสาหัสเกิดแก่แม่วัวตัวนี้แน่จงไปสืบความจากชาวบ้านและผู้เห็นเหตุหการณ์ ถึงเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นแก่แม่วัวแล้วนําความนั้นมาบอกเราเดี๋ยวนี้เหล่าทหารรีบรุดออกจากวังไปสอบถามชาวบ้านแล้วรีบกลับมาทูลให้พระราชาบาบูทรงทราบเมื่อทรงรับทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วจึงรับสั่งให้เจ้าชายบาเบเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามเจ้าชายว่าลูกพ่อ พ่อรู้เรื่องที่ลูกได้ฆ่าชีวิตลูกวัวน้อยแล้วใหญ่เจ้าจึงทำเช่นนั้นเล่ากลาบทูลเสด็จพ่อด้วยความรีบร้อนเดินทางกลับบ้านเมืองทำให้ลูกขาดสติในการบังคับมา้าม้าของลูกจึงพลาดไปเหยียบลูกวัวจนถึงแก่ชีวิตพระเจ้าข่าเจ้าชายบาเบตอบเมื่อเจ้าทำให้ชีวิตลูกวัวน้อยหลุดลอยไปแล้วเจ้าแสดงความรับผิด ชอบอย่างไรบ้างเล่าลูกรักพระราชาบาบูตรัสถามอีกลูกมิได้ทำสิ่งใดเลยด้วยเห็นว่านั่นเป็นเพียงแค่ลูกวัวตัวหนึ่งเท่านั้นเมื่อทรงได้ฟังคำตอบเช่นนั้นพระราชาบาบูถึงกับทรงสุดตัวลงบนพระที่นั่งเจ้าชายบาเบเห็นดังนั้นก็ตกพระทยัยเนื่องจากไม่เข้าใจว่า สิ่งที่ตนทำลงไปนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างไรลูกลูกทำอะไรผิดอย่างนั้นหรือเสด็จพ่อเจ้าชายบาเบียตรัสถามด้วยความกังวลใจเจ้าเป็นถึงลูกพระราชาใหญ่ดูแคลนคุณค่าของชีวิตเช่นนั้นแม้นั่นจะเป็นลูกวัวแต่ลูกวัวก็มีชีวิตมีเลือดเนื้อมีความเจ็บปวดเช่นเดียวกับเจ้า ลองหันไปดูสิลูกรักหากชีวิตของลูกวัวน้อยไม่มีค่าดังเช่นที่เจ้าว่าเหตุใดจึงทำให้แม่วัวเศร้าโศกถึงขนาดต้องมาร้องทุกข์กับพ่อลูกรักหากเจ้ามองไม่เห็นความสำคัญของสิ่งเล็กน้อยในวันนี้แล้ววันหน้าเจ้าจะปกครองประเทศด้วยใจที่เป็นธรรมได้อย่างไรต่อไปเจ้าคงต้องละทิ้งหน้าที่ ละทิ้งความเป็นธรรมละทิ้งสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งละทิ้งประชาชนและศูนย์สิ้นประเทศลูกรักพอมียอมให้พระราชาเช่นนั้นมาปกครองประชาชนของพ่อเป็นแน่และความผิดของเจ้าสมควรได้รับการชำระโทษอย่างเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายเมื่อตรจบพระราชาบาบู ก็ทรงตัดสินพระไทยที่จะลงโทษพระโอรสด้วยวิธีเดียวกับที่เจ้าชายได้ทากับลูกวัวน้อยสร้างความตกตะลึงให้แก่ทหารและข้าราชบริพารในที่แห่ง น, นั้นเป็นอย่างมากต่างทัดทานให้พระราชาบาบูทรงตัดสินพระไทยใหม่ด้วยเห็นว่าการลงโทษเช่นนี้ร้ายแรงเกินไปสำหรับความผิดของเจ้าชายที่ฆ่าลูกวัวหนึ่งตัววัวหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิต เมื่อหนึ่งชีวิตสูญสิ้นในแผ่นดินของเราอย่างไม่เป็นธรรมตัวเราซึ่งเป็นพระราชาก็ต้องเรียกร้องความยุติธรรมนั้นคืนมาเจ้าชายไม่คิดว่าหนึ่งชีวิตน้อยๆของลูกวัวสำคัญฉะนั้นเราจะทำให้เจ้าชายรู้ซึงถึงความเจ็บปวดก่อนสิ้นชีวิตเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจคุณค่าของชีวิตมากขึ้นและเราผู้เป็นพ่อของลูกชายผู้กระทาความผิด ก็สมควรได้รับโทษแห่งความสูญเสียดังเช่นที่แม่วัวกำลังได้รับอยู่ขณะนี้ตัวเราจะเป็นผู้ฆ่าชีวิตลูกของเราเองท่ามกลางเสียงคัดค้านจากเหล่าเสนาอมาร์ตแต่เจ้าชายบาเบกลับยอมรับโทษจากพระบิดาด้วยจิตใจที่สำนึกผิดทรงเดินไปยังหน้าพระราชวังแล้วล้มตัวลงนอนทอดกายบนพื้นดินที่ร้อนระอุ เพื่อรอการลงพระอาญาจากพระบิดาลูกพร้อมรับโทษจากเสด็จพ่อแล้วขอให้ลงโทษลูกให้สมกับความผิดด้วยเถิดเจ้าชายตรัส ด, ด้วยน้าเสียงกล้าแข็งพระชาบาบูมองพระโอรสแล้วรู้สึกประหนึ่งพระไทยจะแตกเป็นเสียงเสียงแต่ก็ต้องแข็งใจทรงม้าพระที่นั่งเพื่อลงโทษเจ้าชาย ด้วยพระองค์เองตามที่ได้ลั่นวาจาไว้พระราชาบาบูทรงมมาแล้วควบตรงไปยังร่างของเจ้าชายที่นอนรอรับโทษอย่างสงบหมาพระที่นั่งเหยียบร่างของเจ้าชายอย่างแรงจนพระโลหิตทลักออกทางพระอดและพักนาสิกทำให้เจ้าชายสิ้นพระชนในทันที ท่ามกลางความตกใจและเสียงร่ำไห้พระราชาบาบูทรงลงจากไม้อย่างคนสิ้นวิญญาณและสุดกายลงไปนั่งบนพื้นดินข้างๆร่างที่ไร้วิญญาณของพระโอรสน้ำพระเนตรไหลาอาบเต็มพระพักทันใดนั้นเองมีแสงสว่างวาบเกิดขึ้นที่ร่างของแม่วัวที่มาร้องทุกข์หลังสิ้นแสงนั้นร่างของแม่วัวก็หายไป ปรากฏเป็นร่างของพระฤาษีเท่าที่น่าเลื่อมใสขึ้นมาแทนอย่าทุกใจไปเลยองค์ราชาคุณธรรมที่มั่นคงของท่านได้ประจักษ์แก่สามโลกแล้วเราจะชุบชีวิตโอรสของท่านผู้ซึ่งเป็นสิทธิของเราเช่นกันกลับคืนมาณนะบัดนี้กล่าวจบพระฤาษีก็วาดไม้เท้าขึ้นกลางอากาศ แล้วชี้ไปยังร่างไร้วิญญาณของเจ้าชายบาเบแล้วสิ่งมหาศิลา์ก็เกิดขึ้นพระโลหิตที่ทะลักออกมาทั้งหมดหายไปเจ้าชายบาเบรู้สึกพระองค์ลุกขึ้นมามีลมหายใจอีกครั้งสร้างความยินดีให้ทุกๆคนในที่นั้นโดยเฉพาะพระราชาบาบูเป็นอย่างมากพระอาจาเจ้าชายบาเบร้องอุทานเมื่อเห็นพระฤาษี พระอาจารย์มาช่วยสิ์หรือพระเจ้าค่าเปล่าเลยบาเบพระฤิษีตอบความยุติธรรมอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของพระราชาแห่งพระบิดาของเจ้าต่างหากที่ช่วยเจ้าไว้ลูกวัวตัวนั้นเป็นร่างเจกจากข้าเพื่อทดสอบคุณธรรมในพระบิดาของเจ้า ซึงได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพระราชาบาบูผู้นี้ทรงมีความยุติธรรมเป็นที่น่าสรรเสริญยิ่งบาเบสิตค่าเจ้าไม่ต้องกลับไปศึกษาวิชาการปกครองจากข้าอีกดอกในเมื่อพระบิดาของเจ้าเองคือพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มากอยู่แล้วจงศึกษาคุณธรรมจากพระราชาผู้นี้แล้วเจ้าจะเป็นพระราชาผู้ครองใจประชาชนได้ในเวลาไม่นาน พูดจบพระฤาษีก็ให้พรแก่พระราชาบาบูว่าด้วยความยุติธรรมอันโดดเด่นของท่านข้าขอวอวยพรให้บ้านเมืองท่านพ้นจากภัยแห้งแล้งเสียเดี๋ยวนี้ฉับพลันนั้นก็มีฝนตกลงมาจากฟากฟา้าและขอให้บ้านเมืองของท่านอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขและเทิดทูนพระราชาผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเป็นที่ตั้งดังเช่นท่านตลอดไปสิ้นทำให้ความสุดท้ายพระฤาษีก็หายตัวไปเสียงโห่ร้องของชาวบ้านดังก้องไปทั่วทั้งเมืองเจ้าชายบาเบทรงสวมกอดกับพระราชาบาบูและทรงให้คำมั่นสัญญาว่า จะเป็นพระราชาผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมดังเช่นพระบิดาให้จงได้เธอทั้งหลายหลายคนอาจคิดว่าการลงโทษเจ้าชายของพระราชานั้นดูเหมือนจะรุนแรงเกินความผิดไปสักหน่อยบางคนก็ว่าพระราชานี้ช่างใจร้ายนักฆ่าได้แม้กระทั่งลูกของตนเอง แต่เธอจ๋าความยุติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากมากในโลกใบนี้และนับวันก็จะยิ่งลดน้อยถอยลงด้วยบางเวลาเมื่อเธอต้องการความยุติธรรมเธอก็จะไม่พบกับความยุติธรรมใดๆเลยนั่นเป็นเพราะความยุติธรรมมีน้อยดังนั้นบางครั้งเราจึงจำเป็นต้องสร้างแม่บทของความยุติธรรมขึ้นด้วยตัวเอง เพื่อให้แม่บทแห่งความยุติธรรมนี้กลายเป็นบรรทัดฐานให้คนอื่นๆได้ถือเป็นแบบอย่างและนำไปปฏิบัติ ด, ด้วยพระราชาอาจจะดูใจร้ายไปสักหน่อยแต่พระองค์ทรงทาเพื่อส่วนรวมทรงเป็นพระราชาที่ให้ความรักความเมตตาต่อทุกคนเหมือนกันหมดไม่แบ่งแยกไม่ลำเอียงลองคิดดูสิว่า ถ้ามีผู้นำหรือคนอย่างพระราชาบาบูอยู่มากๆสังคมของเราทุกวันนี้จะมีความสุขมากมายแค่ไหน ท<ด>ี<ด>่ไหน